เสียงเนี่ยนี่เสียงคำพูดคำจาต่างๆ น, นี่มันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเรา เ, าเพ่งดูในนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่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 การที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบา ร, รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนขัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยนะถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุดสี่ลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ําไปอยู่นั่นแหละเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบา ร, รมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวแบบนี้นะตอนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบา ร, รมีนึกไม่ได้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 มืดแปดด้านเอาจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเ่ะไม่รู้จุดประสงค์เลยอ่าเนี่นยไที่ผู้ที่เคยมีสติสมบัติเนี่ยเคยมีสัทธามั่นในบุญในกุศลมาแต่าชาติก่อนนน้นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่าน่แหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่า เออนี่เราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบา ร, รมีอ่บุญบา ร, รมีที่เราทำมานั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จำเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบา ร, รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วกอนในขณะเดียวกันสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยอจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นชื่อว่า บ, บาป เพราะมันก่อให้เกิดทุกข์อันผู้ใดมาทะลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่าโชคดีเหลือเกินนะนับว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวแหละเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ย เพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกินนะถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอจะอ้างโน้อนอ้างนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปหน่วหนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีก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 ห่วงเห็นต่างๆออกไปจากกิตใจเนี่ยเอาศีหลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ําสําหรับล้างความโกรธความพยตตาบัตต์ต่างๆให้ออกไปจากกิตใจนี่ไอ้ความโกรธความเยาตาบัตต์ต่างๆวัวนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะั้นมันไม่ได้นะไม่ได้ มันไม่ออกล่ะมันไม่ยอมออกจากจิตใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอาม น, กนุกลคาถาอันวิเศษใดในโลกนี้ก็ตามเลยมาสาธยายมาบริกรรมเท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไห ม, มเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ ความโกรธนี่มันหมายความว่ า, า, างไงเมื่อไหนใจความความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจากเมตตานั่นเองปราศจากความรักให้เอ็นดูนั่นเน่งความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่ง นั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจความความเมืองความโกรธฮะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างเนี้ยเราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกําจัดมันจะไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณาในแหละมาลบรร้างกันเนะมื่อโน้มจิตใจลงเครื่อความเอ็นดูสงสาร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 เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทําลายล้างชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามรูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำริดที่จะไปทําลายล้างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกกระดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จําเป็นต้องไปทําลายล้างมันเลย เพราะถ้าพระพุไปคิดทำลายล้างอย่างว่า น, นี่มันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้นนี่มันต้องพี่ณาเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธของมมิจบาทรงได้คนเรานะ่ะอันนี้แหลนะนว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเออ น, น้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว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 แม้ใครจะแสดงจนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่างนี่ความเป็นผู้ตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิตใจได้ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจเนาะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละ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 โดยสำคัญว่าที่ตนเข้าใจนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่าหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอยากให้ชัดชัดลงไปอีก ก, ก็หลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสทั้งส่างในโลกนี้นะอันนี้เราเรียก ว, ว่ามันได้ความชัดเลยคำว่าความหลงนี่นะ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 ต้องศึกษาให้รู้ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกามมะคุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชก็ช่างนะหลีกออกจากกามมะคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั้นสิมันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะ หรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในการมคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากามเมสงวิช า, าจานไอเช่นนี้มันก็โกให้เกิดบาปอกุศลนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในการมคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดี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 แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งปีมีนรกเป็นต้นหมายความว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรรมคุณนี่นะ่ะอืมพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไข่ ค, ควรให้มันเห็นผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพญานเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกรรมมคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทาง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 นับชาตไม่ทั่วแล้วที่ร่วงแล้วมาไม่ใช่มีแตดีล้วนๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วรุ่นๆไม่ใช่นะนั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่งว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพี่นาเห็นจิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ดังนั้นจึงต้องมาภาวนาน้มใจลงสู่ความสงบ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 อุปนิสัยใจกอของตัวเองรู้ได้แน่นอนเลยทุกคนย่อมรู้ตัวเองได้ดังนั้นไม่ควรประมาทควรพากันไว้พระนั่งสมาธิภาวนาน้อมเอาพระคุณทั้งสามประการมาตั้งไว้ในจิตน้มเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทํามาให้มาตั้งไว้ในจิตใจนี่เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จะไม่กระสับกระสายไปทางอื่นเลย จิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี่แล้วมันมันว่าเวอมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปเนอะมันคิดฝ่ายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนั่นมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขเอทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมันมันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่ มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนุนว่าจากอำนวยความสะดให้แกต่ตนเงินเหลอลาบยศชระเสริญหรือมูนี้ถ้าตนได้สิ่งมูนี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้ใจมันก็เพ่งเล็งไปทั่วเลยแบบนี้เ อ, อ่มันเป็นงั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณนี้เข้ามาสู่จิตใจนี้ได้เมื่อมองเห็นบุญเห็นคุณนี่ว่าเป็น สิ่งอํานวยความสุขให้ตัวงจิตี้ได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระสอบกระใสไปแสวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แล้วก็สบายก็อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แบบ น, นี้อแม้ว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมาย แต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี่แล้วมันก็อิ่มใจ ม, มันก็อิ่มแล้วก็สงบอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครืงหัดก็จึงว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆสําหรับผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วไม่ควรที่จะไปคิดว่าเรานี่ครองเลือน ไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิภาวนาอจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเอมันต้องคิดต้องอ่านหาอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะเอาเวลาไหนมาภาวนาให้ใจสงบนี่บางคนส่วนมากเลยว่าที่มันคิดอย่างนี้เลยจึงเลยไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิดอืม ผู้ใดไม่สนใจสมาธิภาวนาผู้นั้นยิ่งได้รับความทุกใจมากเพราะว่าสัณหาความอยากไม่มีสิ้นสุดเลยส่งเสริมมันเท่าใดมันยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นอเมื่อความอยากมันมากเข้าไปเท่าใดความทุกใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วเหลือแต่คิดเหลือแต่อยากได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าบุญวาสนาที่ตนทํามาแต่ก่อนนั้นมันน้อยไป ชีวิตนี่มันก็อยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมที่ตนทามาแต่ก่อนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปต้องการอะไรได้ตามประสงค์นอกเหนือจากบุญกรรมที่ทามาแต่ก่อนมันก็หาเอาได้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่อาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนเป็นเครื่องบังคับชีวิตนี้ไวแล้วใสใครใครมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอลองคิดดู่ะ เพราะส า, างคนก็ทำการทำงานสวงหาเงินทองเหมือนกันนะแต่แล้วมันทำไมมันถึงไม่ร่ารวยบางคนก็รวยอย่างนี้นะนั่นแหละให้พึ่งเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมก็ใครทำบุญกุศลทำความดีมามากๆในชาติก่อนนะผลแห่งความดีนะั้นมันก็มาอํานวยให้เขาจเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนาน มีผิวพรรณผุด่องมีรูปสวยรูปงามอัม้งหมลน้อรุแต่เป็นผลแห่งความดีที่เขาทํามาแต่ชาติก่อนทั้งนั้นเลยเปืออย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นคนพูดเช่นนั้นมันก็ยังยุติความอยากไม่ได้ดอกเขามีเท่านั้นแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ภาวนาไม่ได้ห้ามใจไม่ได้สงบความอยากลงไปบ้างอย่างนี้ เขาก็ถือว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่ น, น้อยนิดเดียวเหมือนกันเนี่ยไม่พอแก่ความอยากมันยังอยากได้มากกว่า น, นั้นเข้าไปอีกนี่พระพุทธเจ้าจึางเรียกว่านัตถตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนี่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาสิทธิไว้ตันหาของมนุษย์เราเนี่ยตันหาในใจนี่นะความอยากของจิตใจนี่นะ มีมากกว่าน้าในมหาสมุทรทะเลที่มีอยู่ในโลกนี้แล้นะลองคิดดูมันก็เป็นความจริงแหละเป็นความจริงทีเดียวเพราะว่าทุกคนยอมรู้ดีนะได้มื่นหนึ่งแล้วยังไม่จูใจนะอยากได้สองมืน่นได้แสนหนึ่งแล้วยังไม่พออยากได้ล้านนี่นะโอยเงินแสนหนึ่งเอามาทำอะไรได้เพราะว่า ลงทุนค้าไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วะถ้าได้สักล้านหนึ่งยังชั่วหน่อยท่นเมื่อได้มาล้านหนึ่งแล้ววันนี้เอาการค้าการงานขยายออกไปอีกจ่ายออกไปอา่เอาเงินล้านหนึ่งไม่พอแล้วอมมันก็อยากได้สองล้านอยากได้สิบล้านเข้าไปนู่นในวันนี้เพราะฉะนั้น่จึงว่ามันไม่มีสิ้นสุดความอยากนี้นะ่ะถ้าบุคคลห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้แล้ว มันก็เป็นทุกเพราะความอยากนี่แหละจะไปทําบาปทํากรรมใส่ตนเองมากก็ดีน้อยก็ดีอ้อใส่ความอยากนี่แหละเป็นมูลเหตุแต่ความอยากนี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนดังที่เคยพูดให้ฟังมานั่นแหละมันมีความไม่รู้นะ่ะนะกากับอยู่กับความอยากเมื่อมันอยากไปในทางผิดทางเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้นะเหตุนั้นะความอยากนั้นจึงชื่อว่ามีอวิชชา เป็นเพื่อนความอยากอันไรถ้ามีปัญญาเป็นเพื่อนแล้วนะ่ะความอยากนั้นมันจะดําเนินไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอยากให้ตนมีความสุขอยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาสเสวียหาเลี่ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์อยากให้ตนมีความสุขอันมั่นคงยั่งยืนอย่างนี้ก็ต้องภาวนา จเจริญไตรลักษณ์นยานให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจเสมอเมื่อไตรลักษณ์นยานนี้มันแจ่มแจ้งขึ้นแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ถืออะไรอะไรในโลกนี้อาศัยโลกอันนี้อยู่ก็อุปมาเหมือนอย่างน้ํามันอาศัยอยู่กับใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเท่านั้นแหละธรรมดาใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเนี่ยน้ํามันซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้เลยแต่ใบบัวจะอยู่ปราศจากน้ําก็ไม่ได้ ถ้าหาว่าอยู่ห่างจากน้ําแล้วตายออแล้วใบบัวนั้นเจริญอยู่ในน้ําแต่ไม่ติดอยู่ในน้ําท่านใดมู้นีผู้รู้ทั้งหลาย อ, อท่านรู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วแต่ท่านก็อาศัยโลกนี้อยู่แต่ท่านาไม่ติดอยู่ในโลกนี้หมายถึงดวงใจของท่านนั่นแหละไม่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนกับใบบัวเ อ, อน้ําซึมซาบเข้าไปไม่ได้ ก็ฉันนั่นแหละดังนั้นพวกเราที่เป็นบริษัทของพระพุทธ เ, เจ้าผู้รู้ประเสริฐในโลกเนี่ยเรารู้อุบายรู้แนวทางอย่างนี้แล้วนะก็ควรฝึกจิตของตนนะเข้าไปเรื่อยๆจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาไปให้แก่กล้าไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจิตใจนี้มันก็จะค่อยตั้งมั่นลงไป มีสติมีปัญญาปกครองอยู่อารมณ์ที่น่ายินดีไร่ทั้งหลายก็จะซึมซาบเข้าสู่ใจนี้ไม่ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้